50 languages. 39. เรถเสียรถเสียรถเสีถียรยถเียรยรถเียรยเรถเสียรถเนียีเรเเยรถ मेरा แไรท่อฟลัดเกียเปลี่ยนยางรถให้ได้ไหมคะคิดถึงซี่เพยบจะลสักเดีดิฉันอยากได้น้ำมันดีเซลสองสามลิตรค่ะเมนูอีกสลิตรดีเซลใจด้วยดิฉันไม่มีน้ำมันเบนซินแล้วค่ะปิโตรล์ขัดมุ่งเกี่ห คุณมีแกลอนน้ำมันไหมคะคิทูฮารเดโคลเปเทโรลดะดับบ้าเดิฉันจะโทรศัพท์ได้ที่ไหนคะแม่คิทโฟนการสักด้าฮะแม่คิทโฟนการสักดีฮะดิฉันต้องการรถลากค่ะเมนู towing เศรษฐีโหลดเหดิฉันกำลังหาอู่ซ่อมรถค่ะ मैं ग ै र เ ज लब र บอยู่ที่นี่แม็กแกเรจเกิดอุบัติเหตุ एकदुर्घटना ह า ई है เหตุตู้โทรศัพท์ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนคะเ थ े स ส तो नजदीक ट े ल ก फ ो न ลิโฟนบูคุณมีโทรศัพท์มือถือไหมคะ क िถูกฮารมบายล์ เราต้องการความช่วยเหลือค่ะซานูมัดเดลโหลดเฮตามหมอให้ทีค่ะด็อกเตอร์นูบลาโอเรียกตำรวจให้ทีค่ะปลื้ีสนูบลาโอขอดูเอกสารของคุณหน่อยค่ะกรุณากราเคอปนักการศึกษา ขอดูใบขับขี่ของคุณหน่อยค่ะคีร a กร์เกอ์ให้อปปนาไลเซนส์ดิขขอดูทะเบียนรถของคุณหน่อยค่ะคีรพกร์เกอ์ให้อปปนกัตดีด็กการ์เ